แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าขยาวขวัญเจ้าที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งส่งมาให้เธอเล่าว่าเธอชื่ออ้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของนาของเธอเองเรื่องมีอยู่ว่าน้าอุไรบ้านเกิดอยู่สนนกนครได้สามีเป็นคนภาคกลาง ทิงบ้านเกิดมาตั้งรกรากกับสามีตั้งแต่อายุยังไม่ทำบัตรประชาชนตอนเจอกับสามีไม่คิดว่าจะได้มาลงเอยกับหนุ่มอายุมากกว่าถึง15ปีได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีหนุ่มๆ ม, มาตามจีบเยอะแยะพราะน้าอูดายมาอยู่บ้านญาติแล้วก็ช่วยญาติเปิดร้านอาหารช่วงเย็นซึ่งมีหนุ่มๆแวบเวียนมาประจําตอนนั้นแฟนแกมาร้านอาหารทุกคืนตามจีบไม่นานก็พามาบ้านทําความรู้จักกับพ่อแม่ในฐานะสะใภ้คนกลางแต่อายุน้อยสุด ก็อาจอยู่ยากเป็นธรรมดาเพราะงานบ้านงานเรือนนาอุไรใช่ว่าจะเก่งไปซะทั้งหมดความอึดอัดใจก็ต้องมีบ้างอยู่มาไม่นานแฟนนาอุไรก็พาย้ายไปอยู่บ้านข้างๆซึ่งบ้านหลังนี้พี่ชายแฟนแกเสียชีวิตเพราะโดนไฟช็อตเมียพี่ชายจึงขนของกลับไปอยู่บ้านของตนเองทิ้งบ้านไว้ให้รกร้างผ่านไปสามปีแม่สามีเห็นว่า ถึงเวลาที่ลูกแต่ละคนสมควรแยกออกไปสร้างครอบครัวของตนเองได้แล้วแม่จึงยกบ้านหลังนั้นให้หน้าอุไรกับแฟนไปอยู่แทนบ้านที่ถูกทิ้งเป็นนานแน่นอนสภาพย่ำเสื่อมโทรมเป็นธรรมดาใช้เวลาทำความสะอาดอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะได้ย้ายเข้าไปอยู่มีตัวบ้านเตียงตู้นอกนั้นเมียพี่ชายขนไปจนหมดคืนแรกนอุไรเล่าว่าแน่นอนไม่ค่อยหลับอาจเป็นเพราะยังแปลกที่ พยายามข่มตาหลับเท่าไหร่ก็ไม่หลับสักทีดึกแล้วทํายังไงจะปลุกสามีมาอยู่เป็นเพื่อนก็กลัวจะโดนดุเพราะสามีก็เพลียจากการทําไร่มาน้ําบอกว่าน้าได้ยินเสียงคนเดินในบ้านขนลุกขึ้นมาทันทีคอแห้งผากเอามือจับแขนสามีสวดมนต์ในใจข่มตาหลับทํายังไงก็ได้ให้หลับแต่ก็ไม่หลับได้ยินเสียงคนเดินในบ้านสองครั้งฝีเท้าหนักหนักไม่ใช่เสียงแมวแน่ๆไม่มีอะไรเข้ามาหรอก ประตูหน้าต่างก็ปิดสนิทขนาดนั้นนอนพลิกไปพลิกมาอยู่แบบนั้นจนสว่างคืนแรกผ่านไปณอุรายไปบ้านใหญ่หุงข้าวทํากับข้าวแต่เช้ามืดกลัวแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นไปทำเพราะบ้านตัวเองยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรยังต้องไปทําที่บ้านพ่อแม่สามีและอาศัยกินที่นั่นไปก่อนอยากเล่าให้แม่สามีฟังเรื่องเมื่อคืนใจจะขาแต่ไม่มีโอกาสเลยต้องทํางานบ้านทั้งสองหลังทั้งเหนื่อยทั้งเพลีย พระอดนอนมาทั้งคืนคืนที่2ด้วยความเพลียน้อุไรเข้านอนแต่หัวค่ําจนสา ม, มีแปลกใจเพราะทําแต่งานบ้านไม่ได้ให้ไปช่วยงานที่ไร่แต่อย่างไรแต่ทําไมถึงดูเหนื่อยเหนื่อยกว่าทุกวันเลยปล่อยให้นอนโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากถามสารทุกข์สุขดิตเมียสาวแต่อย่างใดกลางดึกน่าจะประมาณตีสองเห็นจะได้นาเล่าว่าคืนนั้นในขณะที่นากําลังนอนหลับสบายๆอยู่ดีๆ ลมพัดหน้าต่างดังปังน้าก็สะดุ้งตื่นมองไปที่ที่มาของเสียงบ้านไหนนะก็ปิดสนิทแล้วนี่นาพี่พี่ไปปิดหน้าต่างเป็นเพื่อนหน่อยฉันกลัวน้าบอกสามีอะไรกลัวอะไรบ้านเราเองไม่ต้องกลัวหรอกสามีบอกพร้อมกําลังง่วงทําให้น้าอุไรจรึงต้องเดินไปปิดหน้าต่างคนเดียวท่ามกลางความมืดเพราะไม่อยากเปิดไฟแยงตาสามีสุดที่รัก ขณะที่เอื้อมมือออกไปจะปิดหน้าตาน้าเล่าให้ฟังด้วยความกลัวว่าสายตาของนาก็เหลือบไปเห็นเงาคนรูปร่างขนาดใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านนาจึงได้ปิดหน้าตาและเดินกลับมานอนที่เตียง ม, มือเย็นเฉียบใจสั่นด้วยความกลัวนั่นคือใครไปยืนทําอะไรตรงนั้นจะเล่าให้สามีฟังก็กลัวจะโดนดุอีกพยายามข่มตาให้หลับนอนสวดมวนต์ในใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่บ้าน จนฟ้าสว่างถึงได้เดินไปบ้านใหญ่ผูกหุมข้าวทํากับข้าวตามหน้าที่พอเดินผ่านต้นมะม่วงต้นเหตุของความกลัวเมื่อคืนก็พาขนุนเรียบเดินผ่านโดยไม่หันไปมองนาอุไราทาหน้าที่ของตนเองผ่านไปอีกหนึ่งวันจนถึงคืนที่สามคืนนี้จะหลับให้ได้ขอพระจากแม่สามีมาตั้งไว้หัวเตียงหนึ่งองค์ไหว้พระสวนมนต์ทุกบทที่มีในหนังสือจนสามีอดขำไม่ได้สงสัยว่าเมียคงกลัวจนขึ้นสมอง คืนที่สมผ่านไปโดยไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไม่ได้ยินเสียงไม่มีอะไรมาทําให้ตื่นผ่านไปหนึ่งคืนได้หลับสักทีณอุไรคิดณบอกถือว่าวันนั้นณอุไรเดินผ่านต้นมะม่วงต้นนั้นตามปกติแอบชำเลืองมองนิดหนึ่งยิ้มที่มุมปากคิดในใจฉันมีพระในห้องทั้งพระค่อยคอที่ขอแม่สามีมาฉันไม่กลัวแล้วอย่ามาวุ่นวายกับฉันอีกเมื่อหุงหาอาหารเสร็จ งานบ้านเรียบร้อยเสร็จเร็วกว่าทุกวันณาอุไรจึงไปช่วยงานสามีที่ไร่ตกเย็นจึงเข้าบ้านพักอาบน้ำอาบท่าวันนี้ไม่ต้องทำงานที่บ้านใหญ่เพราะน้องสาวคนเล็กของสามีอาสาทำกับข้าวเองสบายและวันนี้รอกินอย่างเดียวนั่งอยู่กลางบ้านคิดอะไรเรื่อยเปยื่อยเกิดง่วงขึ้นมาเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวพอหลับไปได้นิดหนึ่งรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพยายามลืมตาแต่ลืมได้นิดเดียว เห็นเงาคนรูปร่างขนาดใหญ่ยืนอยู่ปลายเท้าณอุไรยพยายามขยับตัวแต่ขยับไม่ได้ส่งเสียงร้องให้คนช่วยแต่ก็อยู่แค่ในลําคอร้องยังไงก็ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีนาอุไรตะกวนบอกแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงขณะนั้นรอบข้างใกล้มืดแล้วเป็นเวลาพระเพลามีก็ยังไม่กลับณอุไรกลัวจนใจสัน่นทําไมฉันถึงเจออีกอ่ะ ครับฉันก็ห้อยแต่ก็นึกขึ้นได้ตอนอาบน้ำถอดส้อยไว้ในห้องน้ำหมดกันทำยังไงดีทันใดก็มีลมโบกตัวนาอุไรพลิกไปพลิกมาซ้ายทีขวาทีเหมือนบ้านกำลังหมุนรอบตัวนาอุไรแต่ไม่ใช่นาอุไรต่างหากที่กำลังหมุนเป็นวงกลมอยู่กับพื้นหน้าดำทะมึนของคู่กรณีก้มลงมาสายตาเหลือมองร่างสาวน้อยกำลังหมุนเป็นวงกลมสลับกับกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นสักพักก็หยุด นาอุไรกลัวจับใจใจสั่นระรัวร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อน้ําตาไหลาอาบทั้งสองแก้มทาไมทําไมต้องเป็นฉันทันใดนั้นร่างใหญ่ก็เอาเท้าขึ้นมาเหยียบที่คอนาอุไรน้ําหนักที่กดทับทําให้หนาอุไราหายใจไม่ออกขยับตัวก็ไม่ได้ทํายังไงดีแล้วสามีนาอุไรก็กลับมาจากไร่เดินขึ้นมาบ้านเห็นเมียสาวของตอนนอนอยู่บนพื้นสภาพเหนยหอบจึงเดินเข้าไปดู นาอุไรนอนนิ่งน้ำตาไหลพร่าไม่พูดไม่จาสามีประคองตัวขึ้นมาแล้วอุ้มไปบ้านใหญ่พาไปหาแม่พอมาถึงบ้านใหญ่แม่สามีซักถามนาว่า<อ>เกิดอะไรขึ้นมีใครเข้ามาทำมิดีมีร้ายอะไรสะพยตนหรือเปล่านาอุไรได้แต่ร้องไห้เหงื่อท่วมตัวสภาพอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดฉันอยากกลับบ้านฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วทุกคนตกใจต่อให้รักสามีมากแค่ไหน ก็ไม่อยู่แล้วณอุไรคิดพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อฉันว่าแล้วก็ร้องไห้ก็บอกมาเล่ามาซิถ้าไม่บอกจะมีใครรู้กับหล่อนไหมแม่สามีกล่าวณนะอุไรเล่าเรื่องราวเย็นนั้นที่ตนเองเจอให้ทุกคนในบ้านฟังทั้งอย่างเรื่องสองคืนก่อนที่ทําให้ผวาจนนอนไม่หลับอีกทุกคนถามรูปร่างหน้าตาของคู่กรณีณอุไรว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ตรงกับเจ้าของบ้านคนเดิมที่เป็นลูกชายที่เสียชีวิตไป เพราะลูกชายรูปร่างเล็กไม่ได้ใหญ่โตเหมือนที่นาอุไรเล่าคืนนั้นนาอุไรกับสามีจึงพากันไปนอนที่บ้านใหญ่ไม่ได้เข้าไปเหยียบที่บ้านหลังนั้นอีกจนเช้าแม่สามีไปหาหลวงตาที่วัดเล่าเรื่องที่นาอุไรเจอให้หลวงตาฟังหลวงตาจับยามสามตาบอกว่าเอาแล้วไหมโยมบุญมีเอ้ยเจ้าของเก่าปลูกบ้านเสร็จก็ไม่ได้ทาบุญบ้านไม่ได้ทาการสิ่งใดเลยใช่ไหมยโยมยางเจ้าค่ะ ว่าจะทำก็มาด่วนจากไปซะก่อนเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นจนลูกชายอีกคนพาเมียเข้าไปอยู่นี่แหละค่ะัโยมก็กลับไปทําบุญบ้านอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาซะเขาคือเจ้าที่เขาตายตรงนั้นมานานแล้วโยมลูกชายโยมปลูกบ้านทับที่เขาและไม่ยอมทำอะไรเสรียทีเลยต้องตายนั่นแหละเจ้าที่เขาดุนะโยมให้สะพยจุดทูบขอเข้ามาซะนะหนักจะได้กลายเป็นเบา และจะได้อยู่บ้านหลังนี้ได้สงบสุขนาโยมนะหลวงตาบอกด้วยความเมตตาพอที่ฟังดังนั้นแม่บุญมีก็นิมนต์พระมาะสวดมนต์ทาบุญบ้านอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทั้งเจ้าที่และลูกชายที่ตายไปหลังจากนั้นนอุไรกับสามีก็กลับเข้าไปอยู่ตามเดิมนอุไรก็ยังผวากล้าๆกลัวอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรอาจมีบ้างบางคืนที่มีเสียงคนเดินในบ้านแต่น้อุไรก็เริ่มชินทีลนิด คิดซะว่ายอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่คนละภพแค่นั้นเองเรื่องของน้าอุไรของเธอก็จบเพียงแค่นี้หลังจากนั้นเธอเลยต้องเตือนตัวเองเวลาไปนอนต่างที่ต่างถิ่นว่าควรจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยเสียก่อนหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ